Duh. -huh. นี้ก็จะให้ทาเกี่ยวกับอารมณ์ของการภาวนาปฏิบัติหรือว่าวิธีการภาวนาพอเป็นสังเขต อย่างหลักของการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ก็ตามหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาหลายปีก็ตาม มีทั้งข้อที่ควรคิดในการปฏิบัติก็คือเรื่องของคำว่าสติจนกว่าทำสติให้เป็นมหาสติฉนั้นสองคำนี้ดูเหมือนว่าเริ่มต้นว่าเหมือนกันก็คือทำคำว่าสติ ให้เป็นมหาสติก็เหมือนกับมหาสมุทรก็คือใหญ่เป็นที่รวมที่สุดของน้ำก็ไปรวมที่มหาสมุทรสติที่เราจเจริญพอถึงจุดก็เป็นมหาสติ ก็เป็นที่รวมของปัญญาแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องใช้คำว่าตั้งสติให้ได้แล้วก็ใช้สติให้เป็นหรือประคองสติให้ดีเสียก่อนน ทุกไอเรียบททุกขั้นตอนไม่ว่าการเคลื่อนไหวหรือการนิ่งอยู่ก็ตามคำพูดและความคิดการกระทำชีวิตทั้งหมดต้องมีคัมมาสติเป็นผู้กำกับอย่าให้กิเลสกำกับถึงบอกต้องกำหนดรูนเนี่ย การพอนาเบื้องต้นคำนี้สำคัญมากกำหนดรู้ในอิริยาบถกำหนดรู้ในขณะจิตถ้าอิริยาบถเราก็เข้าใจนั่งเดินยืนนอนดื่มอาบเคี้ยวกินอิริยาบถน้อยใหญ่เรากำหนด แล้วจิตของเราก็เหมือนกันทุกขั้นตอนเนี่ยต้องกำหนดกรู้กำหนดกรู้ทางจิตจอจะยืนเดินนั่งนอนพวกเราต้องฝึกสติแล้วก็ฝึกการกำหนดอย่างใหม่ๆเนี่ยเวลาจะมาปฏิบัติ แม้แต่ตามาจะนั่งจะมายังต้องกำหนดดูกายนั่งในท่าไหนอียรยาบทไหนอยู่ในลักษณะใดทำความรู้ก่อนบิสติและลึกรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกสติและก็สัมปชัญญะ สองอย่างนี้ขาดกันไม่ได้เป็นเพื่อนเกลือกันสติและสัมปชัญญะซึ่งแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมและรึกได้และก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมกําหนดดูนั่งจะเป็นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะนั่ง ในเอียบทไหนที่เรานั่งแล้วดูว่าถนัดแล้วก็เวทนาเนี่ยเกิดช้ากว่าในเอียบทอื่นเราก็เลือกเพราะว่าสุขภาพร่างกายอวัยวะของแต่ละคนเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร่องอาจจะต่างกัน ฉะนั้นการนั่งก็ไม่ใช่ว่าเสมอไปว่าจะต้องฟิกไว้เลยว่าจะต้องขาขวาทับขาซ้ายอย่างเดียวถ้าพูดอย่างนั้นคนขาเดียวก็นั่งสมาธิไม่ได้สิถือมือขวาทับมือซ้ายถ้ามือใครมือหนึ่งขาดไปก็ทำสมาธิไม่ได้สิมันเป็นเพียงรูปแบบที่เราฝึกแต่พอจริงจังขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่รูปแบบแต่คือสติกำหนดก่อนนั่งดูเริ่มจากกายที่หยับยากจับได้ต้องได้มองได้เห็นได้เอาสติกำหนดสิ่งนี้ก่อนไอ้ที่ละเอียดละเอียดเนี่ยเรายังตามไม่ทันเชื่อจะมาเถอะ เอาที่เน้นเห็นก่อนจับต้องได้เอาสติเข้ามากำหนดยกหรือย่างนั่งหรือยืนเดินหรือว่านอนทำความรู้จักเอาสติกำหนดอย่าให้ความอยากเกิดขึ้นในทุกทุกอิริยาบถมันมีวิธี ถ้าเราไม่รู้ก็เหมือนทำตามๆกันก็บอกขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายแต่รู้ไม่ขวาซ้ายคืออะไรความหมายที่ทำสาระที่ได้ประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยต้องรู้ตมาก็เริ่มกำหนดพอ <c oughs> กำหนดปุ๊บ รูปกายอยู่ในลักษณะไหนเราอย่าเผอเลยยมจำคำนี้ก่อนอย่าเผอเลยหลายคนนั่งไปนั่งมาสับพงกนั่งไปนั่งมาขอพับนั่งไปนั่งมาได้ยินเสียงกล่นชานลึกมากลั่นเลย มันไม่ใช่นั่นคือความเผอเลอคือการได้เผอสติปล่อยให้นิวรเข้ามาตัวทีนามิธาก็ดีอุทจักกุจจา ก, ก็ดีความเคริบเคลิ้มหรือความฟาุ้งซ่านต้องระวังอย่าให้ใจเกิดฟุ้งซ่านจะให้ร่างกายเคลอบเคริม้ม บางคนเคลิมนั่งเคริมตาก็เริ่มเบล อ, ลอถ้าขับรถอะไรจะเกิดขึ้นนาทีนั้นปั้งหรือตุ้มฆ่าตัวเองทำร้ายผู้อื่นถ้าลักษณะที่เบ ล, อ, เลออย่างนี้ขับรถไม่ได้ ผู้โดยสารอยู่กับเราชีวิตเขาฝากเราไว้นะแล้วเรามานั่งเบลอๆเคลิล้มๆหรือว่าหลับในเนี่ยขอโทษไม่ได้เลยคำนี้เวลานี้ขอโทษไม่ได้เรื่องนี้ขอโทษไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะแก้ไขไม่ได้อีกเลยเป็นตายไร้ดีตอบไม่ได้คืออุบัติเหตุ ไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่ภาวนาสติต้องกำหนดเรามองเห็นจับต้องได้คือรูปกายร่างกายฝึกก่อนฝึกของหยาบยาบเวทนาเกิดก็รู้ในกายเจ็บเหน็บร้อนชารู้ขยับกายข้างขวาซ้ายรู้นั่นเขาเรียกรู้จากการกำหนดสติ ในอีริยาบทน้อยใหญ่เบื้องต้นต้องฝึกอย่างนี้ก่อนเขาเรียกมีสเตปเราเค่อยๆฝึกจากสิ่งที่หยับๆบจับต้องได้มองได้เห็นได้นั่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นทำไมยังไม่รู้ว่าสมาธิจริงๆคืออะไรหรือการควบคุมจิต ต้องยอมระวัตะมาฝึกแก่ความไม่รู้ไม่ใช่ฝึกแก่ความรู้มาเอาความซื่อแต่ความซื่อนี้ดีอย่างฝึกแล้วมันตรงบางทีเราฉลาดเกินมันปรุงแต่งเยอะไปการปฏิบัติฉลาดเกินบรรลุก็ยากโง่ไปบรรลุก็ยาก บางทีมันปรุงแต่งไปก่อนแล้วโยบนหน้าบางคนเรียนมากในิฌานสามไปแล้วตาติตติยฌานแล้ถ้าโมมานั่งปฏิยฌานอยู่ต่มาว่าเดี๋ยวก็ใจตุตาฌานเกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็เปนะ็นรูปฌานไปใหญ่เลยเนะี่ยตามบรรทัดนี่พวกเราไม่ใช่เรียนเรียนฌานนะแต่พวกเราปฏิบัติเพื่อให้ฌานเกิดเป็นคนละแบบกันน่ะ ฉันเราต้องรู้จักสภาวะก่อนพอรู้จักอากับกิริยามีสติสมบูรณ์แบบปุ๊บเราถึงเข้าใจว่าสภาวะทำสภาวะจิตที่ละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ถ้าเราฝึกจริงๆได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเบสิคที่แน่นพอเราฝึกได้เรามีสติหนึ่งชั่วโมง เราลืมตาใหม่ดูรูปกายของเราก็ยังนั่งได้อยู่ในลักษณะที่เรามีสติรู้อยู่ไม่เคลิบเคลิ้ไม่หลับรู้สึกตัวทั่วพร้ อ, อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นการเจริญสติ แต่ยังไม่ใช้มาอบรมจิตนะยังไม่ถึงตรงนั้นนี่เราใช้มาเจริญสติอบรมกายรู้กายก่อนอากับกิริยาหรืออิริยาบทเรากำหนดได้หมดละเหมือนสติเรากำกับได้ยมรู้เลยขยับยกมือเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นสติหมดละ เขาเรียกไม่เผอเลยและไม่เคลือบเคลิมต่อไปพอยอมฝึกอย่างนี้สติตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวใหม่ฝึกกายได้เราก็เอาตัวที่ฝึกได้มาฝึกใจต่อฝึกจนสติสามารถกำหนดความคิดตัวเองได้ กำหนดคำที่จะพูดได้ไม่ใช่สักแต่พูดที่ว่านึกจะพูดก็พูดพูดไปแล้วดีไม่ดีคำพูดนั้นให้ร้ายตัวเองหรือทำลายตัวเองต้องมีสติก่อนจะพูดคำทั้งหมดต้องกำหนดให้ได้แล้วคำพูด หรือเจราจาเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเวลาเราพูดฉะนั้นโยมจะพูดอะไรถ้าเราฝึกลองหัดพูดคนเดียวก่อนก็ได้ปิดประตูให้ดีนะเดี๋ยวเขาว่าบ้าแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่บ้าเขาเรียกมันเหมือนทำการบ้านมันเหมือนการซ้อมหรือเป็นการฝึกหัด เราลองฝึกพูดดูคำพูดอย่างนี้ฟังดูที่ว่ามันพูดดีหรือพูดร้ายพูดด้วยสติหรือพูดด้วยอย่างอารมณ์พูดออกมาน้ำเสียงที่เราพูดมันกระด้างหรือว่าอ่อนโยนทุกอย่างมันต้องช่างน้ำหนักซื้อของยังช่างน้ำหนักซื้อของยังดูขนาด ซื้อของยังมีปริมาณชีวิตหนักเบายมต้องตวงช่างวัดให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นฝึกทั้งหมดแต่ไม่รู้วิธีใช้ถามมาฝึกไปทำไมหลายคนปฏิบัติแต่ไม่มีธรรมะเอาไปใช้เสียดายตายหลายคนทาฌานเก่ง นั่งสมาธิเวลาตอนไม่มีสิ่งมาย่ อ, อยยุมากระทบโอ้นั่งดีเหมือนจะนิพพานนะแต่พอเจอสะพานอันาพานเข้าสติแตกอารมณ์ควบคุมไม่ได้แค่รถติดก็หงุดหงิดแล้วแค่ร้อนหน่อยก็ฟุง้งซ่านแล้วแสดงว่า เรามีสมบัติแต่ไม่เคยรู้จักทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์เรามีมรดกรรมตั้งแต่รุ่นไหนที่เราได้สืบเกิดตายเกิดตายอยู่เราไม่รู้จักเอามอรดกรร ม, มาใช้โยมอย่าดิ้กว่าพวกเราไม่มีมรดกธรรมนะี่ยมีนะถ้าไม่งั้นไม่มาถึงตรงนี้ พวกเรามีบุเพ พ, พื้นฐานเก่ากันมานะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจริญสติแล้วก็ไม่ได้อบรมจิตภายในจิตมันก็เหมือนกับหมอกม่านกั้นไว้เท่านั้นเองจริงๆพวกเราเนี่ยมีภูมิธรรมกันอยู่พอสมควรนะไม่อย่างนั้น จะไม่สะดุ้งเรื่องคําว่านารกหรือบาปอากุศลคนอื่นเขากลัวเรื่องผิดกฎหมายแต่พวกเรานี้ละเอียดกว่านั้นกลัวคําว่าเรื่องบาปกรรมะละเอียดกว่าไหมโยมคนอื่นบอกถ้าไม่ผิดกฎหมายเขาทนะํานาแต่ของพวกเรานี้ผิดศีลเราก็ไม่ทํา ไม่ต้องพูดถึงข้อกฎหมายเราคงจะไม่กล้าที่จะละเมิดพอกําหนดอิเยียบทได้ในหนึ่งชั่วโมงตมาฝึกตมาลืมตาดูเออก็ยังนั่งอยู่แบบเดิมยังมือขวาทับมือซ้ายกายยังตั้งตรงดำรงสติอยู่หลับตาใหม่ กำหนดดูลมหายใจดูตัมามีวิธีก่อนดูลมดิเขาบอกสติกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ววนไว้ไปไหนต่อสิ่งใดใจอยู่กับลมลมอยู่กับใจหายใจให้เป็นอาณาปานสติ ฉะนั้นคนที่หายใจเป็นอานาปานสติต้องมีตัวรู้ด้วยถ้าไม่มีตัวรู้ก็เหมือนหายใจแบบเดินไปตลาดทั่วๆกันแต่นี่ไม่ใช่อานาปานสติต้องมีตัวรู้ด้วยไม่อย่างนั้นไม่ใช่อานาปานสติหลายคนจริงไม่เกิดอานาปานสติ เพราะไม่มีตัวรู้นั่งกำหนดดูทำแห่งองค์บรมครูที่สั่งสอนพวกเรายมอย่าเพิ่งไปวาดหวังได้อะไรทั้งหมดวิธีปฏิบัติหยุดความอยากให้หมดหยุดความคิดโลกนี้โลกหน้าให้หมดหยุดทุกอย่างก่อน โยมสังเกตไม่เวลาเรือจะเข้าหาฝั่งต้องเบาเครื่องหรือดับเครื่องค่อยๆเทียบฝั่งจิตของเราก็เหมือนกันเรากำลังหาความสงบใหญ่ถึงคิดฟุง่งซ่านเรากำลังหาสิ่งที่ยูนเหนือกิเลสน้อยใหญ่ใหญ่ใช้ความอยากปฏิบัติ มันค้านกันทั้งหมดอาตมาเนี่ยพลาดมาตรงนี้หลายเดือนยมจำได้ไม่ตมาเคยแต่งแสนสับสนวุ่นวายคล้ายโรคจิตอยากมีฤทธ์เหาะเขินเดินอากาศคล้ายปราศาสตรฟั่นเฟือนเลอะเรือนตนความมืดมนได้ปิดบังแสงชีวิตประพฤติผิด ตามคันลองของหลักธรรมประพฤติธรธรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดผ่องไม่มองใจตั้งสติไว้ยบจำคำนีนะ้ตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมบทนี้ได้จากการภาวนา แล้วก็กรอนบทนี้ก็ออกมาจากการภาวนาเหมือนกันเมื่อก่อนจะมาอยากเหาะอยากมีลิ์อยากเขินป้าอยากดำดินอยากโผล่ไปที่สวรรค์ชั้นต่างๆทุนเดิมจะมาก็ชอบในเรื่องของทางฤทธิ์อยู่แล้วชอบวิชาอาคมชอบความขลังในทุกอย่าง ชอบเรื่องสมาธิเล่นชาเนี่ยชอบตะบ่าน่ชอบเล่นแล้วมันก็มันดีมันไม่เจืดชืดแต่ว่าพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันไปไม่ได้แม้ทุ่มสุดกำลังกายทุ่มสุดกำลังใจ มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราขัดแย้งกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติใหญ่ต้องเอาความอยากเข้ามาอีกพอไม่ได้ก็จะฟูมฟายใจเรายังไม่เคยหยุดนิ่งและบอกอยากได้สมาธิ ยงขำแทนะอาตมาหน่อยนะเรายังไม่เคยตั้งมั่นเลยแต่อยากมีพลังจิตมันไม่ได้ต้องเริ่มจากหนึ่งหรือว่าเริ่มจากศูนย์ก่อนถ้าเราไม่ติดดินนะ การปฏิบัติเมือนการใช้ชีวิตถ้าเราไม่ติดดินมันเหมือนเราทิ้งอะไรไม่ได้ยังติดชีวิตเดิมๆแล้วเรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งเพชรแหวนบลลมเลยพอถูกแสงไฟก็สะท้อนเข้าตาเนี่ยแต่มาว่าถอดก่อนเถอะ ติดดินก่อนเริ่มจากคําว่าไม่มีก่อนและโยมจะเข้าใจคําว่าไม่มีอาจจะทําให้เรามีความสุขกว่าเดิมที่มีอยู่ก็ได้อย่างนั้นจะใช้คําว่าทวนกระแสได้ยังไงแต่มาสงสัยมา ก, ก่อนทวนกระแสไม่ใช่ตามกระแสทวนกระแสไม่ได้หมายถึงขวางโลก แล้วก็ไม่ได้ตามโลกทวนกระแสก็คือใจของเราที่เคยหมกมุ่นอยู่ทุกอย่างเราต้องทวนใหม่หมดโยมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดถ้าไม่เปลี่ยนใหม่มันก็คือใจเดิมๆแล้วจะเพิ่มเติมอะไรได้ปฏิบัติเอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยครูสอนก็เบื่อแล้ว มันเหมือนกับเอาฝามาปิดภาชนะแล้วเอาน้ำเทใสนะ่มันไม่เข้าหรอกฉะนั้นการปฏิบัติโยมต้องหยุดใจตัวเองที่เคยตามใจทุกทุกเรื่องคนที่เกิดอารมณ์ก็เพราะตามใจตัวเองทั้งนั้นธรรมชใช้ว่าปฏิบัติต้องติดดินแต่ไม่ใช่อดนะ เพียงแต่ใช้คำไม่อย่างนั้นเราจะสัมผัสชีวิตจริงไม่เจอโยมต้องสัมผัสชีวิตจริงก่อนโยมจะได้เจอคำว่าธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเห็นไหมเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าำํำ หลงเจริญเพลิดเพลินในกองกรรมจึงชักนำเวียนว่ายในสาครแตงว่าดำผุดดำโผล่อยู่ในมหาสมุทรพอหมดกำลังก็จมดิ่งลึกลงไปยิ่งมีภาระมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดึงให้หนักจมเร็วเท่านั้นแตมาจึงใช้คาว่าการปฏิบัติ มันก็เหมือนการสํารอกตัวเองใหม่โยมต้องเริ่มใหม่อย่าใช้ความรู้สึกของเรามาปฏิบัติแต่มาทํามาแล้วฮึกเหิมก็ไม่น้อยแตมาภาวนาตีสองตีสามตหนึ่งแตมานั่งอยู่ในห้องเก็บของนั่งภาวนาขนาดเข้าไปหูยังเออเลยปึกแต่แตมาอยู่ได้ ตมายังไม่รู้อะไรคือคุณธรรมขั้นสูงแต่รู้ว่าอยากบรรลุแต่ใจในมุทะลุมากมันก็ต้องเอาให้ได้มีลูกศิษย์อยู่รูปหนึ่งปฏิบัติแล้วเกิดกิเลสเจ็ดวันเป็นเหตุว่าต้องบรรลุถ้าถ้าไม่บรรลุก็จะงดฉันและสุดท้ายอดอาหารผ่านมา เจ็ดแปดเก้าวันแล้วก็ลุกขึ้นประกาศตนว่าบรรลุแล้วจีวรถอดอังสะถอดฉบงถอดตอนทุกอย่างว่างเปล่ามาหลอกละเกิดเป็นมิจฉาหรือเกิดความวิปราดขึ้นมาความคลาดเคลื่อน วิปริตวิปราตเนี่ยอารมณ์ไม่คงที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นแล้วก็สงสารอยากบรรลุแลวจะหอบมหาอัตมาจะมาช่วยงานด้วยเจตนาดีแต่ใช้ความอยากเกิดโทษมหัน จากคำว่าจะบรรลุอ拉หันเป็นโทษมหันถึงกับเสียสติไปในช่วงหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาฉีดยาให้สงบไอ จ, จิตใต้สำนึกที่อยากจะบรรลนะุให้มันอ่อนกำลังลงก่อนเช่นเวลาปฏิบัติยมต้องรู้คำว่าสภาวะ พยมกำหนดรูปกายมีสติพร้อมหมดละเรารู้เท่ารู้ทันต่อรูปกายลุกยืนเดินนั่งนอนเรียบททุกขั้นตอนย ม, มีสติไม่เพลินเลยนั่งก็ไม่เคลิบเคลิมไม่ไหลไม่หลับสติตื่นง่วงก็รู้ว่าง่วงถ้าจะนอนก็คือลุกแล้วก็นอน ถึงที่นอนก็นอนเลยแต่ถ้ายังนั่งภาวนาอยู่ไม่มีคำว่านอนนอกจากนานนานมีความอ่อนเพลียเกิดวูบขึ้นมาเนี่ยสะดุ้งสุดตัวนะนานนานจะมาเผลอสักทีนึงวุบโอ้โหสะดุ้งเลยนะแค่วูบเนะี่ยยังไม่ถึงสัพังกตัวนี้จะสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตอย่างแรงโอ้โห ม่รู้พลังมาจะาใน น, นั่งได้อีกยาวนานเลยล่ะนั่นคือสติที่เราฝึกพอจะเคลิบนิดไม่ได้เลยสะดุ้งสุดตัวเหมือนกับม้าที่ฝึกดีจะกลัวแสม้าพยศไม่กลัวแสต้องเจ็บหนักซะก่อนพอมาที่เชื่องแล้วสละถีฝึกดีแล้วเนี่ยจะไม่ให้โดนแสเลย โดยเฉพาะมะาอาชานในเนี่ยจะไม่โดนแทนเลยเขารู้แล้วพอเรากําหนดได้สติเริ่มกําหนดที่จะมองดูลมเมื่อกีนะ้ทุกอย่างยมวางให้หมดชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจความดีใจเสียใจทุกอย่าง วางไว้ในอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเพียงมีสติกำหนดดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้สั้นหรือยาวไม่ใช่ข้อผูกมัดหรือบังคับ่าเหนือล่างใต้สะดือบนสะดือไม่ใช่ระบบการหายใจหมุนเวียนแต่ละคนไม่เสมอกัน บังคับจะอึดอัดสุดท้ายไม่เป็นอิสระความสงบจะไม่เจอในที่สุดโยมต้องหาความพอดีการหายใจที่ลงตัวแล้วรู้สึกว่าสบายและจะสงบคนไม่สบายอย่าหวังว่าจะสงบโยมอย่าลืมหลักความจริงด้วยต้องสบายแล้วถึงสงบแต่ไม่ใช่สบายแบบ เคลิ้มไหลหลับไม่ใช่เพราะฝึกมาแล้วขั้นหนึ่งคือเรากำหนดกายแล้วนั่งรู้อาการง่วงรู้ตีสามนั่งบางทีมันอ่อนเพลียมันกันร่างกายต้องการพักผ่อนแต่เราก็เพียนอยู่วุ้นิดเดียวเรารู้แล้วตั้งใหม่จิตจะมีกำลังมาก ประคองกายให้ตั้งอยู่ได้อีกระยะหนึ่งเรียกอำนาจจิตสามารถพยุงกายได้ยมเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อพิสุทธ์ง่ายๆอย่างทางโลกของพวกเราวันนี้พยมได้ยินข่าวที่มันแย่ม า, มากถึงกับจิตรับแล้วมันรับไม่ได้นะคนนั้นล้มลงเลยนะถึงกับเป็นลมเป็นแล้งหรือสลบ เป็นลมเป็นแรงหรือสลบลงเชื่อมยืนอยู่แท้ๆเนี่ยพอได้ยินข่าวร้ายล้มลงได้ทั้งยืนยมเคยเห็นแล้วแต่มาเชื่อหรือจิตใจที่เคยดีอยู่พอได้ยินข่าวอย่างนี้ไม่ปกติแล้วฉันเราต้องฝึกจุดนี้ด้วย ชีวิตมีได้มีเสียมีเจอมีจากมีพบมีการพัดพรากโยมปฏิบัติธรรมศึกษาโยมต้องติดดินรู้จักสัจธรรมความจริงไงวันนี้หลายคนกำลังร้องแต่วันหน้าข้อจะหัวเรา วันก่อนพวกเราเคยเสียใจแต่วันนี้ใจเราไม่เสียชีวิตมันเป็นอย่างนี้และก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงหรือหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งยมต้องยอมรับพอกาหนดอนาณาปาลนิติได้จุดปัญญาจะเกิดตรงไหนรู้ไหมได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาสมาธิอยู่ตรงไหนกาหนดดูลม เข้าก็รู้ออกก็รู้ทุกอย่างวางไว้กับอดีตอารมณ์ทั้งหมดจดจ่ออยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจเอาการหายใจเป็นอารมณ์จะได้ยินเสียงอะไรไม่ให้ความสำคัญสักว่าเสียงได้กลิ่นสักว่ากลิ่น นิมิตเกิดสักว่านิมิตเกิดไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยรู้สักว่ารู้ไม่ต้องปรุงแต่อยู่กับลหมหายใจจนสามารถมีสติเข้าถึงสภาวะว่าจิต หรือใจของเราเริ่มมีความตั้งมั่นเริ่มเป็นหนึ่งเดียวก่อนแล้วความสงบจะตามมาเหมือนรดน้ำพรพนเดินใส่ปุ๋ยดอกผลก็จะตามมาพอทำดูตรงนี้เสร็จบางคนทำวันเดียวไม่เกิดใช่ว่าจะไม่เกิด ถึงจะเร่งแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่เกิดเหมือนปลูกต้นไม้อรตามาบอกเร่งปุ๋ยเร่งน้ามากดอกผลก็ไม่เกิดมันมีอายุมีเวลามันอาจจะต้องได้รับแสงได้น้ำได้อากาศมันถึงจะเจริญงอกงามเติบโตมันก็ต้องมีเหตุการปฏิบัติต้องมีสภาวะ ที่เรารู้ด้วยจึงเรียกว่าเป็นานาปานสติเกิดความสงบเกิดตัวรู้รู้อะไรข้อแรกเลยรู้ถึงความไม่เที่ยงในสกุลกายที่เราอยู่และลมหายใจอาโปธาที่หายใจเข้ามีลักษณะเข้าออกที่ไม่เที่ยง หยุดเมื่อไรชีวิตตายเมื่อ น, นั้นเข้าไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายเห็นลักษณะไม่เที่ยงเกิดขึ้นตามสภาวะที่เป็นจริงไม่ใช่จามากำหนดได้เลยถ้าไม่เที่ยงตรงนี้เขาเรียกเป็นวิปัสสนาก่อแห่งปัญญาแต่ถ้าใจจดจ อ, จอนิ่งสงบ ด้วยการดูลมเป็นอารมณ์เดียวนี่เรียกว่าสมถะยังให้จิตสงบลงโยมจะได้สองอยา่างแต่บอกไม่ได้ว่าจะได้เร็วหรือช้ากี่ปีตอบไม่ได้เหมือนนายช่างก็เก่งไม่เท่ากันความชำนาญก็ไม่เท่ากันการเรียนรู้ก็ไม่เท่ากัน จะบอกเป็นพนสรสวรรค์หรือพรแสวงหรือเป็นทุนเก่าตมาก็ต่อไปได้กําหนดดูบางคนดูลมไม่ถูกจริตถามว่าผิดไม่ไม่ผิดบางโอกาสตมาดูลมใจก็โปรงสงบลงได้แต่บางโอกาสตมาไม่ดูลมนั่งท่องบนภาวนาวัพุทโธ ถามว่าพุโทโธทำให้ใจสงบได้ไหมวอลโว่เบนบีเอ็มโตโยต้ามาด้าอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อรถไม่ใช่สำคัญมันเป็นยดยานพระหานำเรามาสู่เส้นทางจุดหมายเท่านั้นเองฉะนั้นจมจะหายใจหรือจะภาวนาพุโทโธได้ กำหนดบางคนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท ร, รู้สึกสงบลงได้ใจนิ่งลงได้ใจรวมได้บางคนกำหนดลมหายใจอุดอัดเหนื่อยใช้บริกรรมแทนพุทธโทพุทธโทพุทธโทพุทธโท จนพุโทโธเป็นหนึ่งเดียวสติจิตกับองค์ภาวนาสัมพันธ์กันตรงกันเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกเป็นสมานชันรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตจะมีกำลังตรงนี้พุโทโธไปเรื่อยๆจนจิตพอถึงความสงบในขั้นลึกลงไปที่เรียกว่าฌานนะยมเชื่อหัหย บางทีองภาวนาพุโทโธเขาเรียกดับดับไม่ใช่หมายถึงว่าเทียนดับแสงหายไม่ใช่ดับก็คือเหมือนจิตนั้นตกลงสู่ในความสงบนี่คือสำเร็จประโยชน์แล้วนะที่เราบริกรรมเพื่อนำจิตสู่ความสงบในองค์ภาวนาวัพุโทโธพุทโธพอถึงขั้นที่จิต สงบลึกเข้าเขาเรียกมีคานิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเขาเรียกมีสามสเต็ปถ้าพูดถึงอารมณ์ของสมาธิคือมีสมาธิเกิดชั่วขณะคานิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิสมาธิที่สามารถอยู่ได้นาน มั่นคงขึ้นพอลึกไปอัปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงหนักหน่วงก็ขึ้นอยู่ที่กำลังของจิตของสมาธิแต่ละขณะของจิตนั้นๆไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็สุดแล้วแต่ใคร ถ้าเราพูดในเรื่องของฌานก็มีเริ่มจากปฐมฌานมีปิติสุขเอกคั ต, ตารมอย่างนี้เป็นต้นพอธุติยฌานมีปิติสุขปิติดับลงมีอารมณ์เป็นเอกข ต, ตารมก็ค่อยลดน้อยลงจนเหลือนั่นเหลือเพียงคําว่าจิตเป็นอุเบกขาไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้าย ทั้งสุขและก็ทุกข์ไม่ฝักใฝ่อะไรเลยจิตในขนาดนั้นเขาเรียกว่าเป็นจิตเข้าสู่จิตที่วางแล้วอารมณ์น้อยใหญ่ไม่ก่อให้จิตดวงนี้ฟุ้งซ่านอีกเลยเขาเรียกเป็นอุเบกขาใจที่วางเฉยได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดร้ายหรือว่าดี พบหรือว่าจากได้หรือว่าสูญเสียไปเนะี่ยจิต ท, ที่เข้าสู่เบคานะจะไม่ยินดีนยินร้ายพอจเจริญสติอบรมเข้าไปอีกบ่มให้ก่อเกิดปัญญานะจิตดวงนี้เขาได้จะปล่อยวางคำว่าปล่อยวางไม่ใช่ละทิ้ง ปล่อยวางความมั่นหมายปล่อยวางความยึดติดปล่อยวางชีวิตที่เป็นทุกข์ทั้งหมดหรือสุขโลกีทั้งหมดท่านไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแล้วแต่ท่านจะมีสุขกับว่าอริยสุขยมอย่าคิกว่าพอหมดจากโลกียสุขแล้วสุขเป็นหมันไม่ใช่ เป็นหนทางใหม่เรียกว่าอริยสุขสุขที่ประเสริฐกว่าสุขที่เลิศกว่าสุขที่ปานนิดกว่าเพราะสุขนี้ไม่มีไฟแห่งราคะไม่มีไฟแห่งโทสะไม่มีไฟแห่งตัณหาไม่มีไฟแห่งโลภะแต่โลกิยสุขบางคนนี้ถูกไฟราคะเผาไหมยมลองนึกดูเต้นอยู่ในแสงสีเสียงดินกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ ลองคิดดูว่าลูกหลานใครบางคนนี้ร้องเสียงดังกรี๊ดมันเกิดอะไรขึ้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไฟแห่งราคะความกำหนัดมันล้นจนต้องแสดงออกมาทางหูทางตาทางอากับกิริยาและการแสดงออก นั่นคือเหยื่อของตันหาเหยื่อแห่งราคะสุดท้ายก็จบลงที่สนองกามตันหากันแค่นั้นเองจึงเรียกว่าสุขของโลกีมีได้ชั่วคราวไม่ยืนยาวเหมือนสุขของอริยะพอถึงจุดนี้โยมพอปฏิบัติ บางคนภาวนาพุทโธองค์บริกรรมบางทีดับไปโยมไม่ต้องถามหาว่าดับไปไหนหรือว่าต้องภาวนาอีกที่รู้ตรงนี้คือตัวเองภาวนาไปภาวนามันค่อยๆหนืดหนืดบางทีตัวนี้แข็งลุกมันมีหลายๆสภาวะบางครั้งตัวมันจะลอยถ้ามีลมมาบกนิดเดียวตัวนี้จะเปลี่ยวผู้ บางครั้งนั่งตัวใหญ่มันขุนเขาปุ๊บเสียบลึกลงไปแน่นหนักก็ได้หลายๆสภาวะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อย่าไปยึดถือเป็นเพียงรู้ว่าสภาวะทำเกิดอะไรก็เท่านั้นเราต้องมีชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มีสภาวะ รู้จิตในจิตธ ร, รมในธรรมเวทนาในเวทนาจบตรงนั้นอย่าไปแสดงออกมาที่ไม่เหมือนผู้ปกติฉะนั้นพวกเราเป็นผู้มีปกติสุขมีความสงบทุกอย่างควบคุมได้แต่คนที่ควบคุมไม่ได้เห็นไหมบางคนปฏิบัติทำพอ ร, รู้นิดรู้หน่อยโอ้โหฝอยแตกเลยโยม พอมานั่งทีนี้ฟุ้งซ่านไปแล้วไม่ได้พอเราเข้าสู่ความสงบได้องค์ภาวนาที่พุทธองทีก็ดับองค์ภาวนาดับแต่สติจิตและความสงบแนบแน่นเกิดอยู่ภายใน โยมเชื่อวตามาเคยจะบอกวิตกหรือว่าสภาวะจิตเหมือนกับต้องการอยากจะรู้และความสงบเป็นของใครเออโยมเคยถามไในขณะที่เราสงบความสงบบางคนยังมั่นหมายนะระวัง เดี๋ยวจะติดอยู่กับชาญแล้วก็ไปไม่ได้ตมาบอกทุกอย่างเป็นแค่ทางผ่านทุกอย่างเป็นเพียงชีวิตที่ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราและก็ในใจของเราโยมต้องผ่านทั้งหมดอย่าหยุดให้สิ่งใดเป็นเจ้าของของเราหรือใจของเราไปจับจองวันนั่นเราเป็นเจ้าของ จะโดนฉุดเลยนะจิตจะน่วงลงสู่ความติดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมานั่งใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมมาเจริญปัญญาตัดใจไม่ได้ความรักความชอบความเกลียดความชังมางอกที่ใจสียแล้วความเสดหาอะไรอ า, ราอวนันทั้งหมดความหอมหวาน ความเครื่อเครื่ทั้งหลายก็มาก่อเกิดอยู่ในจิตชีวิตไม่ไปไหนถูกฉุดไปสู่โลกีวิสัยอีกแล้วมานเก่งเขาฉลาดบุคคลนี้ปฏิบัติจะข้ามสู่อริยะอีกไม่ช้าเขาฉุดดึงกลับไปอีกน่าเสียดายอย่างพระเหมือนกันอาจจะมาเจอพระ ท่านก็เป็นพระผ่านหนุม่มไฟแรงพอสมควรแต่มาเข้าใจเราก็กเหมือนก็เป็นม้าพยศมาด้วยกัน ก, ก็พอรู้อุปนิสัยกันท่านถือเคร่งมากในเรื่องของธรรมวินัยในโอวาทในโอวาปฏิโมกษสอยิบท่านก็ทองขึ้นใจหมด ท่านจะเอาสเปกทุกอย่างเลยจะมาบอกก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกการสมัยเวลาบุคคลสถานที่ท่านมีปัญญาหรือเปล่าว่าทุกขกำหนดรู้เหตุของทุกควรดับเสียถ้าท่านไม่รู้สองคำนี้รู้ทั้งหมดในปริยัตการศึกษา ไม่เท่ากับรู้แค่ที่บอกว่าทุกกาหนดรู้เหตุของทุกขฝึงละเสียท่านยังไม่เข้าใจสองคำนี้แต่ท่านเข้าใจในระเบียบในวิธีการสุดท้ายผ่านไปไม่ไนดน้จะเบลอ ท่านจะเบือเอทราบอีกทีสึกแล้วพอรู้อีกทีถูกลดชนเอา้าทำไมไปถึงขนาดนั้นที่รู้ก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านบอกท่านเคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมชาติ พอดีน่าจะเกิดกรณีกับพระหรือเปล่าท่านมาเล่าให้ฟังท่านบอกพอบอกเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมชาติผมก็ดูแลรักษาให้อย่างดีจะมาจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ว่าพระไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันเกิดอะไรเนี่ยที่เห็นวัตถีเหตุตรงนี้มั้งท่านก็มาบอกภายหลัง แล้วก็โยมที่บวชพระก็มาหาตรมาภายหลังโอ้โหเย็บที่ไม่มีลนยะยาวเฟี้ยวเลยตรมานึกในใจถ้าท่านเชื่ออตาตมาวันนั้นท่านจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างมีปัญญาได้มากกว่านี้เสียดายไฟแรงเกินทอดไข่ไม่ได้มันไหม เสยียดไฟแรงไปใส่น้ำมันไม่ได้มันมันกระเด็นคนทอดปลาก็ทอดไม่ได้ทำไมไม่ลดไฟสักนิดทำไมไม่พิจารณาอีกเส้นหน่อยสุดท้ายก็เสียศูนย์ไปเลยตมาแล้วเสียดายก็เลยสรุปว่าท่านยังมีกลับ เห็นไหมตมาบอกว่าแรงกรรมไม่ธรรมดาขนาดพระแล้วปั่นปาิโมก็ได้แล้วขยันหมั่นเพียรการปฏิบัติก็ได้แล้วมาเจอวิตกจริตอีกไปใหญ่เลยทีนี้ที่บอกกรรมท่านไม่หมดชดใช้ยังไม่สิทธุกชุดลงต่อไปอีก ก็สังเวชนอยุกที่เล่ามาก็สงสารท่านแต่ยิ่งมาเห็นรอยบาดแผลเย็บยาวเลยจริงๆเขาเรียกว่าตายตายคืนนั่นนะือจริงๆตายไปแล้วเนี่ยนะยังฟื้นมาอีกพอเราปฏิบัติ ถ, ถึงจุดที่จะมาบอกความสงบไม่ใช่ของอาตมาเดิมทีอาตมาบอกใช่ แต่พอกำหนดพิจารณาจริงๆแล้วไม่ใช่ความสงบเป็นแค่สภาวะจิตที่เราเข้าไปรู้เท่านั้นยมยำหมายนะว่าสมาธิความสงบเป็นของเราโยมไปตีตราอีกแล้วที่ว่าคนที่เขาติดอยู่ในฌานก็เนี่ยมันหมายอยู่ว่ายังมีตัวตวนของเรานะ อย่างเงี้ยเป็นต้นถึงบอกเราจะไม่ติดในรูปฌานและอรูปฌานพอสุดท้ายกำหนดได้ก็เออเป็นแค่สภาวะเเราพิจารณาเป็นจะขันดีกว่ารูปเมทนาสัญญาสังขารเพราะถึงจุดหนึ่งในการภาวนานเราจะต้องใช้ตัวรู้ สแสวงหาปัญญาใช้จิตตาแสวงหาธรรมมาโยมต้องเข้าใจนะปฏิบัติพอถึงจุดหนึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าเราจะหลุดจากบ่วงกรรมแลือห่วงแห่งกรรมตรงนั้น เขาจะฉุดเรากว่าเราจะเข้าสู่ในเส้นทางของเหล่าพระอริยะบรรดาเิเสสมานทั้งหลายอากุศลกรรมทั้งหลายบิบัิกรรมทั้งหลายเขาดักรอพวกเราอยู่อย่าลืมนะทางที่พวกเราไปเนะี่ย มารเขาร้อนใจถ้าเราหลุดออกจากปุตุชนเข้าสู่อริยะได้มารก็ไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตดวงนี้อีกเลยและก็มีสุขติเป็นที่หมายตลอดจนกว่าเข้าสู่ความเป็นอรหันต์ในที่สุดพอถึงจุดนี้ธรรมาก็กำหนด ไม่ได้ติดอยู่กับสมาธิแต่รู้อยู่ว่าใจมีสมาธิความสงบเกิดอยู่ก็รู้ไม่ได้ติดอยู่กับความสงบทุกอย่างมันเป็นเพียงสิ่งสัมผัสหรือสมบัติที่เราใช้แต่ยึดเมื่อไรจากสมบัติจะเปลี่ยนเป็นคำว่าวิบัติยมจาไหมที่หลายคนปฏิบัติและไปไม่ได้โค้งสุดท้ายเนี่ย มันมีภาพหลวงตามันมีมายามีหมอกมีเมฆมีมาา่านบังมีทุกอย่างถ้าเขาเจอจุดอ่อนเราตรงไหนนั่นแหละเขาจะแฝงมาจุดนั้นไม่ว่าลูกสามีภรรยาพี่น้อง ทรัพสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศกิเลสตัณหากรรมคุณร้อยแปดทั้งหมดเขาจะสร้างภาพขึ้นมาเลยถ้าสติจเจริญยังไม่ถึงมาสติยากที่จะแยกแยะได้บางทีก็บอกใจเย็นเดี๋ยวก่อนบางทีเขาบอ ก, น, ก, อ น, บบอกนี่ก็จะบรรลุอยู่แล้ว โดนหลอกเยอะแล้วนะบอกกิเลสสมานยมฟังคำนี้นะกิเลสสมานแสดงว่ามานก็คือกิเลสทั้งหลายใจของพวกเราเนี่ยถ้ายังมีโลภโกรธหลงอยู่รักชอบเกลียดชังมันก็เป็นกิเลสสมานทั้งนั้นบอกเออเรารู้แล้วพอรู้เสร็จใช้ตัวรู้สแสวงหาปัญญาพิจารณา ขันทั้งห้าเริ่มกําหนดใหม่เอาตั้งแต่รูปหยาบๆรูปกายรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนกําหนดดูสภาวะเป็นอย่างไรรูปไม่เที่ยงตรงไหนโยมดูเริ่มตั้งแต่กําหนดพิจารณาออกจากขันบันดาร้องว่าแงนโะยมอง์แอหรือตายแนน และแต่โทนเสียงของแต่ละคนร้องโตขึ้นมาด้วยขนมนมเนยดินน้ำลุมไฟก็ชุบเลี้ยงดูมาเติบโตจนบัดนี้ร่างกายอาวัยวะน้อยใหญ่ที่เราอาศัยอยู่ด้วยธาตุสี่หยุดอยู่ตรงนี้ไหมไม่หยุดเขาก็จ ะ, จะเจริญเติบโตไปจนถึงความ เสื่อมโทรมลงต่างก็ไม่ต่างจากต้นไม้ที่เคยสวยงดงามพออายุมากแก่มากกิ่งก็ผุยอดก็ด้วนสุดท้ายก็ต้นไม้ก็ตายมนุษย์ใช้การเวลาหกสิบเจ็ดสิบปีบางทีถ้าตายตามวัยตามอายุ เราก็จะเห็นความไม่เที่ยงตลอดในกำหนดเรื่องตั้งแต่สูงสุดคือปลายผมต่ำสุดคือพื้นเท้าจากดำเป็นขาวจากขาวก็หลุดร่วงลงสายตามีสั้นมียาวหูมีอืออึองตึง เนื้อหนังมีหย่อนผ่อนลงทุกอย่างมีแต่ความเสื่อมโทรมไปมีแต่ความไม่เที่ยงร่างกายนี้หาสาระไม่ได้ยึดถือไม่ได้เอาเป็นแก่นสารไม่ได้วันนั้นโยมต้องกําหนดเห็นเองแล้วจิตเข้าถึงสภาพรู้ตรงนั้นจิตรับทราบเขาเรียกเรียนรู้สภาวะ จิตนั้นได้เห็นแจ้งทำตรงนั้นด้วยต่อไปไม่ต้องจดเพราะไม่ใช่ใช้ความจําแต่เห็นความจริงพอคนปฏิบัติถึงจุดหนึ่งไม่ได้ใช้ความจําไม่ได้จดไม่ได้จําแต่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งพอสุดท้ายเรียกว่าเป็นปฏิเวทคือแทงตลอด รู้แจ้งแทงตลอดปลอดอวิชชาไม่อิงไม่ติดอยู่กับสิ่งใดชีวิตสัมผัสสัมพันใช้แล้วก็ว่างสุดท้ายก็ว่างทุกอย่างก็ว่างเปล่าตมาเคยนั่งช่วงใหม่ๆเคยเล่นนะพอนั่งจุดอย่างรวดผลมันกับเล่นให้เกิดเตโชเผาร่างกายนั่ง ลุกท่วมในกายนั่งพอเผาไบไฟลุกนานๆก็เผาไม่ตัวเราก็เกรียมกระดุกกัวกระโหลกก็ค่อยๆผุตกลงเป็นก้อนฐานลงลงมันกับไฟไม่บ้านน่ะใช้เพ่งนิมิตเพ่งใช้เตโชกสินเพ่งล่วงมากองอยู่กับพื้นเป็นเท่าฐาน แล้วก็ใช้สติกำหนดใช้ตัวรู้พิจารณาให้เกิดปัญญาสุดท้ายก็เหลือแค่เท่าฐานยึดไปก็เท่านั้นไม่ยึดก็เท่านั้นดีใจก็เท่านี้เสียใจก็เท่านี้มนุษย์ เมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่จะรู้ความจริงน่าสลดสังเวชเกิดเวทนาตัวเองหลงชมตนนักหนาว่างดว่างามว่าสวยว่าหล่อสุดท้ายไม่กี่ปีที่สุดเป็นได้ก็แค่ฐานหรือขี้เท่านี่หรือชีวิตชีวิตหรือนี่ ล้วนเป็นของว่างเปล่าวุ่นวายไปทำไมสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้คดโกงกันไปทำไมที่สุดก็ว่างเปล่าพอกำหนดได้เนี่ยใจเรารู้แล้วกายเห็นกายแล้ว จากสติเป็นมหาสติเราสำเร็จกายด้วยกายเห็นกายลนะเข้าใจกายอยู่เจ็บแล้วก็ตายธรามาจริงใช้คำนี้บอกสุดท้ายแก่เจ็บตายเป็นของร่างกาย ไม่ใช่ของเราดีใจเสียใจสุขทุกข์ที่แท้เป็นบทบาทอารมณ์แห่งใจยึดถือไม่ได้เลยทั้งสองอย่างหน้าสังเวชเกิดเวทนาเราไม่รู้ก็หลงยึดทุกข์เราไม่รู้ก็หลงยึดสุข พอรู้แจ้งสุขทุกข์จิตก็ปล่อยวา่าความทุกข์ก็ว่างเปล่าจึงเรียกว่าเป็นผู้นิรัทุกข์คือผู้พ้นทุกข์ได้บอกเออยิ่งปฏิบัติพอเราเริ่มศึกษาเข้าถึงสภาวะยมเชื่อไหมเรามีอะไรเยอะที่ต้องศึกษาและทำที่ศึกษามีสิ่งตอบแทนมาตลอด เขาเรียกสภาวะธรรมที่เกิดมีรางวัลด้วยนะมันมีความเอิบอิ่มมันมีรสแห่งธรรมใจเท่านั้นจะสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสรสแห่งธรรมต้องใช้ใจเป็นผู้ดืม่มดูดดืม่มกายไม่มีสิทธิ์กายดื่มได้แค่น้ำหวาน และขับถ่ายออกแต่รถแห่งธรรมใจที่ดุดดื่มไม่จางคลายนะศรัทธาวันนี้เปรียบเสมือนว่าถ้ามีอยู่ในสามส่วนก็เพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยเ ร, ยเรยืสภาวะธรรมยิ่งรู้เท่าไหร่ศรัทธาก็ตั้งมั่นขึ้นจึงเรียกว่าเป็นพลระอินทรีย์ศรัทธาที่ตั้งมัน่น เป็นคุณพลหนึ่งในาศาสนาที่จะสู้รบกับกิเลสมามันทั้งบทด้วยกามาศัทธาวันใดโยมหมดศรัทธาวันนั้นสิ้นแสงทันทีโยมเคยจำเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องพระโมคลาผู้มีฤทธิ์มากกับเศรษฐีกนะาไปรับปากเศรษฐีว่าจะ อีกเจ็ดวันก็จะไปรับถาดเศรษฐีก็ดีใจพระโมคลาเสร็จแล้วก็มาเจอพอครบกำหนดก่อนจะครบกำหนดเจอผู้ยากไร้แต่มีศรัทธา ม, มากก็สงสารว่าโอกาสผู้ยากไร้ที่จะได้สร้างกุศลนี่ยากเหลือเกินก็เกิดความเมตตา จะรับก็กลัวเสียสัตว์ต้องไปขออนุญาตเศรษฐีก่อนเพราะได้รับกิจไว้แล้วตรงกันสรุปว่าวันตรงกันก็ไปขอเศรษฐีเศรษฐีพอฟังปุ๊บก็ถามพระโคลาว่าท่านรับรองได้ไหมว่าทรัพย์สมบัติของเรายังมีอยู่ ที่จะทำฐานพระโมคคลากาหนดบอกรับรองได้ท่านรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีถึงในวันนั้นได้พระโมคคลากาหนดบอกรับรองได้แต่คําเดียวที่ตอบไม่ได้และท่านรับรองได้ไหมว่าศรัทธาของเรายังมีอยู่วันนั้น พรโมคลาา ต, ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยความเป็นความตายกำหนดให้ได้แต่ศรัทธาตอบไม่ได้ว่าท่านจะมีศรัทธาอยู่ที่จะให้ทานถึงวันนั้นหรือเปล่าศรัทธานี้ต้องรักษาเองใครรักษาให้ก็ไม่ได้และศรัทธาจะเกิดก็เกิดจากใจของเราเองเหมือนกันคนอื่นทำให้เกิดก็ไม่ได้ ถ้าคนอื่นทำให้เกิดได้เดี๋ยวก็เสือ่อมมันไม่มั่นคงมันเหมือนกับเพลินไปกับเขาช่วงขณะพอได้สติก็ถอยทันทีที่บอกเออศรัทธาเนี่ยจะเป็นขุนพลใหญ่ก็เรียกศรัทธาภละหรืออินทรภละที่เป็นใหญ่อินทรีโยมรักษาให้ได้นะ พอเล่าสภาวะและสนุกจริงสมัยก่อนตอมาปฏิบัติใหม่ๆตมาจะเล่าเยอะเรื่องสภาวะจิตสภาวะทำการปฏิบัติผู้ใหม่ปฏิบัติจะได้เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ไปขุดบ่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรหินกรวดทรายความชื้นขนาดไหนก่อนจะเจอน้ำบอกออข้อคิดจุดไหนที่ต้องระวัง ก็สมควรเวลาของการบรรยายขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร